น้ำแห่งชีวิตกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีราชาพระองค์หนึ่งกำลังป่วยหนักไม่มีหมอคนใดในอนาณาจักรหาวิธีที่จะรักษาเขาได้เลยพวกเขาเชื่อว่าราชาคงอยู่ได้ไม่เกินวันนี้อลูกชายของข้าอยู่ไหนข้าอยากให้พวกเขาอยู่ข้างๆคะ่ะราชามีบุตรชายอยู่สองคนบุตรคนโตบิลเลียม เขกระหายอํานาจและต้องการที่จะสืบทอดอาณาจากักรแฮร์รี่น้องคนเล็กเข้าใจดีและไร้พิษภัยเขาคอยเสียใจกับทุกๆคนและรักพ่อของเขามากกว่าสิ่งใดท่านพ่อเป็นยังไงบ้างเราพยายามอย่างที่สุดตอนนี้ของต้องพึ่งปฏิหารเท่านั้นจึงจะช่วยทันได้ในเวลานั้นเจ้าชายวินเลียมกําลังรักอยู่กับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อมิรันดา เขาใช้เวลาทั้งวันอยู่กับเธอและบอกเธอเกี่ยวกับทุกๆอย่างในชีวิตของเขาเจ้ารู้อะไรไหมที่รักข้าอยากเป็นคนโปรดของพ่อเสมอมาแต่ข้ารู้สึกว่าเขารักแฮร์รี่มากกว่าข้าอาข้าหวังว่าเขาจะไม่ได้สืบทอดบัลลังก์แทนข้านะแค่ท่านมีเพียงท่านเท่านั้นที่จะได้เป็นราชาที่รักเจ้าแน่ใจได้อย่างไงเพราะข้ารู้วิธีที่จะเอาชนะใจพ่อของท่านยังไงล่ะ นำยานี้จากยายของข้าไปให้เขาดื่มแล้วสุขภาพของเขาจะดีขึ้นโอ้ที่รักเจ้าช่างรู้ใจข้าจริงๆเมื่อข้าได้เป็นราชาข้าสัญญาจะให้เจ้าเป็นราชินีของข้าโอ้ที่รักข้ารักท่านจังเลยแต่วิลเลียนไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วมิรันดาไม่ได้รักเขาเลยเพียงแต่ใช้เขาเท่านั้น <laughs> ออะไรย่างี้ในขณะเดียวกันแฮร์รี่ก็ใจสลายเพราะเขาทนเห็นพ่อเจ็บปวดไม่ไหวเขาสวดภาวนาอย่างหนักเพื่อให้พ่ออันเป็นที่รักหายดีโอ้ถวยเทพด้วยโปรดช่วยให้พ่อข้าหายดีด้วยเถิดตอนนั้นเองเทวดาได้ปรากฏตัวขึ้นในรูปร่างของนักปราชิราเขาสังเกตเห็นแฮร์รี่กำลังร้องไห้เป็นอะไรกันเหรอเจ้าชาย ท่านเป็นใครกันข้าเป็นนักปราดผู้สแสวงหาความรู้ไปทั่วอาณาจักรข้าสังเกตเห็นเจ้ากำลังร้องไห้เลยหยุดดูมีอะไรอย่างนั้นเหรอข้าช่วยเจ้าได้ไหมพ่อของข้าพระราชาส่งป่วยหนักมากหมอทุกคนบอกว่าไม่มีวิธีใดในโลกนี้ที่จะช่วยท่านพ่อได้เลยข้ารู้วิธีรักษาแต่เจ้าจะต้องไปที่ถ้ำที่มีดวงจันทร์สองประกายบนนั้น มันห่างออกไปจากอาณาจักรนี้และเส้นทางที่จะไปต้องฟ้าอุปสรรคมากมายมันถูกเรียกว่าน้าแห่งชีวิตข้าจะไปที่นั่นได้ยังไงข้าไปได้ทุกที่และเผชิญหน้ากับอุปสรรคใดๆก็ตามเพื่อจะให้ท่านพ่อกลับมาแข็งแรงอีกครั้งดังนั้นนักปราชญ์จึงบอกเส้นทางไปยังน้ำแห่งชีวิตแดกเขาแฮร์รี่ออกเดินทางไปทาภารกิจค้นหาน้าแห่งชีวิตหลังจากเดินทางได้2วัน เข้ามาถึงป่าทึบและพบกับคนแคระคนหนึ่งวัดดีมีคนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมช่วยขาาทีได้ไหมเสียงนั่นมาจากที่ไหนกันนะได้โปรดช่วยด้วยถ้าเจ้าได้ยินข้าเจ้าถูกมัดอยู่ในถ้ำนี้ได้ยังไงโอ้แม่มดนั่นใช้พลังชั่วร้ายของนางจับข้าวไว้ เจ้าช่วยปล่อยข้าทีนะตัดโซนี้ให้ทีได้ปลดแฮร์รี่ได้ชักดาบออกมาเพื่อช่วยคนแคสคนแคสขอบคุณเขามากและขอให้เขาร่วมทานมื้อค่ำด้วยแต่แฮร์รี่ได้บอกว่าเขาต้องรีบไปทำภารกิจต่อหลังจากเดินทางออกมาไกลแฮร์รี่ได้ยินเสียงครวญครางดังขึ้นเขามองหาต้นเสียงและพบกับสิงโตแก่กาลังป่วยอยู่โอ้พระเจ้า เขาดูเปล่าบางและอ่อนแอมากเขาคงหิวหน้าดูข้าอาจจะไปไม่ทันเวลาแต่ข้าทิ้งเขาไว้แบบนั้นไม่ได้แฮร์รี่มอบขนมปังให้กับสิงโตและทิ้งส่วนของเขาทั้งหมดไว้ให้มันเขาควบม้าออกเดินทางต่อไปเพื่อค้นหาน้ําแห่งชีวิตตอนนี้แฮร์รี่หิวโหวยมากแต่เขาก็ยังเดินทางทำภารกิจต่อไป เขาควบม้าผ่านสายลมที่รุนแรงผ่านพายุหิมะที่ตกหนะักจนในที่สุดเขาก็มาถึงถ้ำที่มีพระจันทร์ส่องแสงอยู่ด้านบนด้วยความหิวและกระหายน้ำแฮร์รี่มัวสติลงที่ปากถ้ำแฮร์รี่ตื่นสิตื่นเร็วแฮร์รีออ่ท่านท่านมาที่นี่ได้ยังไงข้าไม่ใช่นักล่า จริงๆแล้วข้าคือเทวดาเทวดาที่ไม่สามารถทนเห็นเจ้าร้องไห้ได้ข้าจึงมาในร่างของนักปลาดข้าประทับใจที่เห็นจิตปิญญาณที่มีเมตตาคนที่ไม่เห็นแก่ตัวและยุดช่วยเหลือผู้อื่นที่เขาต้องการนี่คือน้ำแห่งชีวิตดื่มมันเพื่อให้แข็งแรงแล้วนำส่วนที่เหลือไปให้พ่อจ้าแฮร์รี่ดื่มน้าแห่งชีวิตและเขาก็แข็งแรงขึ้นเขาขอบคุณเทวดาและรีบนาส่วนที่เหลือไปให้พ่อของเขา กลับมาที่อาณาจากักรยาของมิรันดาทําให้ราชากลับมาแข็งแรงอีกครั้งราชาประทับใจในตัววิลเลียมและแตัดสินใจให้เขาเป็นราชาแล้วแฮร์รี่ละ่ะเขาหายไปไหนข้าไม่เห็นเขามาเป็นอาทิตเขาเป็นลูกภาษาอะไรไม่สนใจพ่อที่ป่วยนะัะวิลเลียมใช้โอกาสนี้ในการเป่าหูให้ราชาจับกลุมตัวแฮร์รี่ ทดฐานที่เขาละเลยตัวความรับผิดชอบท่านพ่อเขาไม่สนใจอะไรเลยเขาไม่สนใจท่านข้าหรือว่าอาณาจักรของพวกเขาเลยข้าว่าพวกเราควรขังเขาไว้สักพักเพื่อให้บทเรียนแก่เขาในขณะเดียวกันแฮร์รี่รู้สึกโล่มใจและดีใจที่ได้กลับมาที่วังพร้อมกับน้าแห่งชีวิตแต่เขาไม่รู้เลยว่าวิลเลียมวางแผนอะไรไว้จับเขาเดี๋ยวนี้เอาเขาไปขังไว้แต่ว่าท่านพ่ นี่มันอะไรกันเจ้าไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นจะคัดคืนราชายคนใหม่ได้รับแต่งตั้งแล้ววันนี้ทุกคนได้รับเชิญไปที่สนามของพระราชวังผู้ใดผู้ใดเรามีรอชาคนใหม่แล้วเขาต้องเป็นเจ้าชายแฮร์รี่แน่นอนเขามีจิตใจที่เมตตาแฮร์รี่ถูกขังไว้ในห้องขังเขานั่งเศร้าใจและเจ็บปวดมากที่พี่ชายของเขาขังเขาเอาไว้ ทำไมท่านพี่ไม่ให้โอกาสข้าได้พูดบ้างท่านใดนั้นเขาก็ตกใจเพราะมีเสียงดังขึ้นเจ้าเจ้าเข้ามาในนี้ได้ยังไงข้ามาช่วยเจ้าไงแต่แต่เจ้ารู้ได้ยังไงเราไม่มีเวลาแล้วตอนนี้ออกไปจากที่นี่ให้เร็วก่อนเถอะแต่วังนี้มีทหารป้องกันอย่างหนาหนานะไม่ต้องห่วงมีคนคอยจัดการกับทหารแล้วไปกันเถอะ ด้วยสิงโตบุกด้วยเราด้วยมีสิงโตในนี้ด้วยมีสิงโตในนี้อรู่ทางนี้ในขณะที่เจ้าชายวิลเลียมกําลังจะสวมมงกุฎของราชาราชารู้สึกไม่สบายและล้มลงกับพื้นเกิดอะไรขึ้นกับราชาโอ้ไม่พวกเราคิดว่าเขาหายดีแล้วเจ้าเอาอะไรให้เขาพ่อข้าป่วยหนักอีกแล้วนางผู้หญิงร้ายกาศ เจ้าหอข้าท่านกล้าเนอะเจ้าแค่ต้องการพ่อของเจ้าเพื่อให้เขามอบตำแหน่งราชาก็แค่นั้นนี่ตอนนี้จะมาโทษข้าอย่างนั้นเหรออย่าบังอาจขึ้นเสียงกับข้านะข้าจะจับเจ้าคนอย่างเจ้าเนี่ยนะจะมาจับข้าตงนั้นแม่มดซาบีนาข้าได้ยินมาว่านางทรงพลังมากใช่นั่นห่างหนีเร็วทุกคนพวกเจ้ายังไม่รู้พลังของข้าดีหรอก ข้าคนนี้จะซา บ, บรีน่านี่เธอเป็นการเอาคืนก็นแล้วกันโอ้ท่านพ่อดื่มนน่ระชาดื่มน้มนำหลังจากนั้นเขาก็รู้สึกดีขึ้นเขาลุกขึ้นยืนได้ในทันทีขอบคุณมากลูกรักพ่อดีขึ้นแล้วลูกเอาอะไรให้พ่อดื่มงั้นหรอ แฮร์รี่อธิบายทุกอย่างให้พ่อของเขาฟังและบอกว่าทําไมเขาถึงไม่ได้อยู่ด้วยตอนที่ท่านนอนทรมอยู่เมื่อได้ยินดังนั้นราชารู้สึกดีมากยกโทษให้พ่อนะลูกรักสําหรับเรื่องที่พ่อเข้าใจเจ้าผิดไม่เป็นไรท่านพ่อท่านแข็งแรงขึ้นแล้วนั่นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับข้าบิลเลี่ยมเข้ามาหาเขาด้วยโอ้น้องพี่ให้อภัยพี่ด้วยพี่ถูกแม่มดควบคุมและไม่รู้ตัวเลยว่าพี่ทําอะไรลงไป อ, อย่าคิดมากไปเลยพี่แค่กอดค้าหมือนวันเก่าๆก็พอแล้วและสองพี่น้องก็กอดกันราชาได้ยิ้มออกมาในไม่ช้าวิลเลียมและแฮร์รี่ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นราชาทั้งคู่พวกเขาปกครองอาณาจักรไปด้วยกันและทำให้มั่นใจเลยว่าไม่มีแม่มดแบบมิรันดาอยู่ในอาณาจักรแห่งนี้ทรงพรเจริญทรงพระเจริญ